เป็นหนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นทุกเรื่องคนมีหนี้สินอย่าเพิ่งมองว่าเขาคงใช้ชีวิตไม่ดีหรือว่ามีความประมาทในการใช้เงินมีจริงๆนะตัวเองดีตัวเองประหยัดแต่ญาติญาติที่อยู่รอบตัวหรือคนที่เกี่ยวข้องไม่ดีไปกับเราเอาภาระมายัดเยียดให้เราบางคนปฏิเสธไม่ได้เพราะเป็นพ่อเป็นแม่ของตัวเอง ไปก่อนี้ก่อสินไว้บางทีเป็นสิบล้านทั้งๆ ท, ที่ลูกเงินเดือนไม่กี่หมื่นพอลูกนี่รู้ความจริงเข้าแทบล้มทั้งยืนไม่รู้จะเอาปัญญาที่ไหนมาชดใช้แทนพ่อแม่ที่เคยเห็นมาหลายคนนี่สินที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เป็นคนก่อหรือวสุดวิสัยจริงๆไม่ใช่เกิดจากการฟุ้งเฟอ้อหรือใช้เงินเกินตัวบางทีเป็นเรื่องของกรรมที่เราเคยพยัดเยียดภาระ คนอื่นเข้าไว้แล้วถึงตาเราต้องโดนบ้างก็จะมีบุคคลซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้มาก่อภาระให้กับเราโดยที่แ้้เราคิดจะวิ่งหนีจะเจอกับด่านความรู้สึกผิดทำไม่ได้ทำไม่ลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพ่อแม่ตัวเองขอให้มองอย่างนี้นะครับว่าถ้าหากว่าเป็นหนี้สินอันเกิดจากการถูกกรรมเก่ายัดเยียดมา เราอาศัยกรรมใหม่เป็นลบล้างแบบทันทีไม่ได้เนื่องจากเราไม่รู้ว่าของเดิมธรรมหนักขนาดไหนแต่ขอให้ตั้งไว้ในใจว่าที่เราชดใช้อยู่เนี่ยไม่ได้ต้องฝืนให้เป็นทุกข์อย่างเดียวเราใช้กรรมแบบชิวๆก็ได้ไม่ต้องเป็นทุกข์มากก็ได้เพราะว่าชีวิตหนึ่งไม่ได้มีให้จริงจังเกินร้อยปีหรอกไม่ได้มีให้ีเรียสักกี่สิบปีหรอกที่เรานึกว่ากรรมไม่มีวันหมดไม่มีวันสิน้น บางทีก็สิ้นไปพร้อมชีวิตดีๆนี่แหละชีวิตที่เราตั้งหน้าตั้งตาจะชดใช้ชีวิตที่เราตั้งหน้ า, ต, ต, า, ต, า, ต, นาตั้งตาจะทําให้ดีที่สุดกับบุพการีหรือว่าคนที่มีบุญคุณกับเราเราปฏิเสธไม่ได้ต้องช่วยต้องแบกภาระอะไรต่างๆถ้าหากว่าชีวิตดีๆนี้ยึดอยู่อย่างเดียวเลยว่าเราจะกะตัญญูเราจะรู้คุณเราจะไม่ปัดภาระ ไม่หนีด้วยการหายไปปลอมชื่ออะไรต่างๆแต่ยังก้มหน้าก้มตาทําสิ่งที่ควรจะทําชดใช้สิ่งที่ควรจะชดใช้ที่เห็นเป็นสิ่งจบต้องได้คือตัวเงินนี่แหละระหว่างเห็นการชดใช้เราอาจมีความรู้สึกค่อยๆปรับตัวได้กับมันคือไม่ได้คิดถึงจุดจบว่าเมื่อไรจะจบเสียทีแต่คิดใหม่ว่าเรากาลังทาวันนี้ ให้เป็นไปในทิศทางจะปลดหนี้ทั้งที่เห็นจับต้องได้ในปัจจุบันและทั้งที่มองไม่เห็นเป็นของเดิมเป็นของเก่าที่เราเคยทำมาในตัวตนที่ลืมไปแล้วพอคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจะรู้สึกสบายสบายเออก็ยังทำงานเหมือนเดิมนี่ไม่หมดไม่เป็นไรแต่เราใช้ไปเรื่อยๆตามกติกาตามข้อสัญญาที่ได้ตกลงกันไว ตัวเจ้าหนี้จริงๆแล้วควรจะทุกข์มากกว่าเราแต่ถ้าดูแล้วเขาก็ไม่ได้เห็นเป็นทุกข์อะไรโดยเฉพาะย่างยิ่งธนาคารเหมือนหุ่นยนต์เลยไม่มีใครมาจ้องเป็นทุกข์กับหนี้ของเราคนเดียวถ้าเจ้าหนี้เขาก็ไม่ได้เป็นทุกข์มากเท่าเราทำไมเราต้องไปเป็นทุกข์มากกว่าเขาด้วยก็จะเกิดไอเดียขึ้นมาว่าจริงๆแล้วการเป็นหนี้ถ้าเรายัางใช้ แล้วเจ้านี่ยังทำสีหน้าพอใจอยู่เราควรจะมีความพอใจว่าเรากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องเรากำลังชดใช้นี่ที่เห็นด้วยตาเปล่าที่ก่อขึ้นมาใหม่อาจรวมทั้งนี่เดิมๆที่เคยไปทำใครเข้าไว้มาตรงนี้พอคิดได้จะเริ่มมองชีวิตไปอีกแบบหนึ่งที่บอกว่านี่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นเนี่ยจะหมดในวันที่ชีวิตสิ้นสุดนั่นแหละ อให้เราใช้หนี้ที่จับต้องได้ที่เป็นตัวเงินไม่ทันในชาตินี้ก็ถือว่าเราไม่เป็นหนี้ทางใจไม่เป็นหนี้ทางบาปทางกรรมกับใครเขาแล้วเพราะพยายามเต็มที่ถึงที่สุดแล้วแล้วก็มีใจเป็นนักสู้ที่สุดแล้วจะรู้สึกสบายใจขึ้นมาคือจะไม่มองไปถึงเส้นชัยที่วันสุดท้ายแต่มองก้าวปัจจุบันเป็นลู่วิ่งที่เรากาลังวิ่งอยู่อย่างคนที่ไม่ยอมแพ้ แล้วก็ไม่ยอมจะเป็นทุกข์หรือโศกเศร้าจนเกินไปจริงๆแล้วการมีชีวิตไม่ได้หมายถึงการใช้นี่อย่างเดียวอาจหมายถึงการเรียนรู้ขึ้นมาจริงๆว่าทำอย่างไรถึงจะแน่ใจได้ว่าฉะนั้นคือใช้นี่ไปด้วยแล้วก็เรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรให้ตัวตนหายไปให้ความทุกข์น้อยลงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราเป็นนี่ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์เรารับกรรมได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์นะครับ